เรื่องอุปมาพระนิพพานสมเด็จพระพุทธเจา้าโตองค์นี้พูดธรรมสากขากันในที่สภาการต่างๆถ้ามีผู้ถามถามขึ้นว่าคําที่เรียกกันว่านิพพานนิพพานนั้นบางคนเป็นนักแปล ى, ก็แปลตามสัพ์ว่าดับบ้างออกจากเครื่องร้อยรัดบ้างแปลว่าเกิดแล้วไม่ตายบ้างตายแล้วไม่มาเกิดบ้าง ดับจากกิเลสบ้างดับไม่มีเศษเป็นนิรินทะพินาศบ้างเลยไม่บอกถิ่นฐานเป็นทางเดียวจะอย่างการและกันให้ได้ความรู้จากพระนิพพานเป็นเงาๆหรือรู้ราวบ้างก็ทั้งยากจึงพากันหาหรือสมเด็จพระพุทธเจ้าโตในเรื่องใครรู้จักนิพพานสมเด็จพระพุทธเจ้าโตท่านว่าท่านก็ไม่รู้แห่งแต่จะช่วยชี้แจงอุปมา เปรียบเทียบให้รู้และเข้าใจเอาเองตามเหตุและผลเทียบเทียมได้บ้างว่านิพพานจะรู้ได้อย่างไรท่านอุปมาด้วยหญิงสองคนพี่น้องจ้องคิดปรารบปรารมหยุดแต่การมีผัวอุตสาหอาบน้ําทาคมิน้นนุ่งผ้าใหม่ผัดหน้าหวีผมแปรก็ประสงค์ความรักให้เกิดกับชายผู้ลาเห็นจะได้มาสู่ขอเป็นสามีเท่านั้น ร้านล่วงมาก็ศบโชคศบช่องของคนที่สาวผู้มีชื่อมีหน้ามาขอได้ตกลงแต่งงานร่วมห้องร่วมห อ, อกันแล้วหญิงผู้ที่เป็นน้องสาวก็มาเยี่ยมและตั้งวิงบอลเร้าซีสักถามว่าพี่จา๋าการที่พี่หลับนอนกับหัวนั้นมีรสมีชาติครื้นสนุกสนานชื่นบานเป็นประการใดจงบอกให้ฉันรู้บ้าง นางพี่สาวก็ไม่รู้แห่งจะนำความรื่นรมสมสนิทด้วยสามีนั้นออกมาตีแผ่เปิดเผยให้น้องสาวสมรู้ตามเห็นตามในรื่นรมแห่งโลกาสันิวาสได้นางพี่สาวก็ได้แต่บอกว่าน้องมีผัวบ้างก็จะรู้เองไม่ต้องถามเอาเรื่องกับพี่หรอกรั้นอยู่มาไม่ช้านานนางผู้เป็นน้องสาวด้วยสามีแล้วไปหาพี่สาวพี่สาวถามว่า การหลับนอนรมเรื่อนชื่นใจกับผัวน้องมีความรู้ว่าเป็นเช่นไรลองเล่าบอกออกความใหพี่เข้าใจบ้างสิแม่น้องนางน้องสาวชอลเลตอบพี่สาวทันทีว่าพี่ไม่ต้องยาะไม่ต้องยอ่อแล้วพี่น้องคู่นั้นก็นั่งสำรวนหัวเราะ ก, กันตามฐานที่รู้รสสังวาสเสมอกันข้ออุปมาณ้ฉันใดก็ดีพระโยคาววจรกุลบุตร มีความมุ่งหมายจะออกจากชาติจัดพบเบื่อหนายโลกสันนิวาสเห็นว่าเป็นหม้อต้มหรือเรือนอันไฟไหมคิดจะออกจะหนีให้พ้นก็ทำความพยายามแข็งข้อถกขมิจะเผ่นข้าไม่พ้นจากหม้อต้มสัตว์แล้วเรือนไฟอันไหมลุกลามก็เตรียมตัวทำศีลให้บริสุทธิ์ปราศจากโทษเศร้าหมองทำสมาธิตั้งใจตรงจงใจทำสมถะกรรมฐาน ทำปัญญาให้เป็นวิปัสนาญาณอย่างยิ่งยอดตัดสังโยชน์ให้ขาดเด็ดแล้วด้วยมีดคมกล้ากล่าวคือโคตรภูยานอนุโลมยานมัคคยานทำช่องให้เวงวางเห็นแสงสว่างปรากฏประโยคขาวจรกุลบุตรก็กำหนดดวงจิตจิตวางอารมณ์วางสัญญาวางอุปาทานเครื่องยึดถือทำลายเครื่องกั้นทั้งห้า คือนิวรณ์ห้าละวังได้ขาดได้แก่ก ร, รมฉันทะความพอใจในการมความต้องการกรรมคุณพยาบาทความคิดร้ายทิณนามิทะความขดอูและเสื่อซึมอุทธจารกุกจารความฟุ้งซ่านและร้อนใจความกระวนกระวายกลุ่มกงังวลและวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยคือนิวรณ์หละวังได้ขาด ประกอบองค์ห้าคือองค์แห่งสมาธิหรือฌานคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตตาฟอกใจราวนี้ใจก็กอบด้วยวิสุทธิเจ็ดเมื่อวิสุทธิเจประการผุดขึ้นแล้วประโยคนาวจรกุลบุตรก็มาละวิตกละวิจารละปีติละสุขละเอกคตตาเหลือแต่อุเบกขาญาณดำเนินไป อุเบกหายาณมีองค์หประการเป็นพื้นมโนธาตุก็กลายเป็นอัพยากริตคือเป็นกลางไม่จัดเป็นกุศลหรืออกุศลก็กลายเป็นอัพยากริตไม่ติดบุญไม่ติดบาปต่อไปจะยังมีลมหายใจหรือหมดลมหายใจมโนธาตุก็ตั้งอยู่ตามตำแหน่งไม่เข้าเสียงในเบญจขันต์ต่อไปเรียกว่าธรรมธาตุบริสุทธิ์จำพาะตน เรียกว่าพระนิพพานท่านผู้ได้ผู้ถึงท่านรู้กันว่าเป็นเอกันตะบรมสุขไม่ละคนปนได้ทุกต่อไปท่านไม่ต้องสักถามเศ้าสีเช่นหญิงทั้งสองดังสำแดงมา